สเดรัจฉานนะทั้งมนุษย์นะซึ่งมีทั้งผู้ร้ายนะฆาตากรเช่นพระองคุรีมานาเช่นองคุีมารหรือว่าผู้ที่ใส่ร้ายรวมตลอดไปถึงอมนุษย์ยเช่นยักษ์มารไปจนถึงพญายนาครวมทั้ง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 ทำไมทำบุญแล้วจึงต้องเจ็บต้องป่วยเหมือนกับว่าไอ้ความเจ็บความป่วยนี่มันเกิดขึ้นเฉพาะกับคนที่ไม่ทำบุญเฉพาะคนที่ทำชั่วแล้คนทำดีก็เจ็บก็ป่วยได้แม้แต่พระอรหันต์แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังต้องเจ็บต้องป่วยมันเป็นธรรมดาเนะอันนี้ที่ทุกเนี่ยก็เพราะว่าทำบุญด้วยความหลง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 เป็นนักชฉลยโอกาสนะเป็นนักชฉลยโอกาสมันชฉลยโอกาสที่จะมาครอบงมเราทุกเวลาไม่ใช่เริ่มตั้งแต่เวลาตื่นนอนจริงจริงมันชฉลยโอกาสตั้งแต่เวลาหลับแล้วพอหลับก็ฝันไอ้สิ่งที่ฝันนี่มันก็หลงทั้งนั้นแหละมันปรุงแต่งเต็มที่เลยนะเพราะว่าตอนนั้นภาวะรู้เนี่ย หรือว่าตัวรู้เนี่ยมันไม่ค่อยจะมีเรืองมีแรงเท่าไหร่สิ่งที่เราฝันนี่มันก็ฝันด้วยความหลงทั้งนั้นแหละทีจริงอาการฝันนี่มันก็เป็นความหลงอย่างอยู่แล้วคือมันปรุงแต่งโดยไม่รู้ตัวถ้ารู้ตัวมันไม่ฝันหรอกนะไอ้ที่ไม่รู้ตัวนี่แหละถึงฝันแล้วก็ฝันในเรื่องที่สะท้อนหรือกระตุน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 ฉันเป็นคนดีฉันเป็นคนมีธรรมะเนี่ยฉันเป็นผู้ฝ่ายบุญอันนี้ก็หลงนะมันคือความลืมตัวกิเลสครอมงามนะําแล้วก็เรียกหลงตัวลืมตนเกิดมานะมะเกิดมานะทิฐิขึ้นมามันโชยโอกาสทุกเวลานะใ้ความหลงเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าเราเป็นผู้ฝ่ธรรมจริงๆนะ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 ไม่ดีท่าศาสนาของชนนั้นมันเกิดความหลงตัวลืมตนขึ้นมานอันนี้ก็เรื่อ ม, มารนะเนี่ยนี่ก็คือความหลงอีกอย่างหนึ่งดังในแต่ละวั น, นในชีวิตของเราในการกระทาแต่ละอย่างนี่นความหลงนะมันเข้ามาครอบงำนะมีโอกาสที่จะครอบงำได้ทั้งนั้นถ้าเราปล่อยไปไม่ทำอะไรเลยนะไม่รู้จกักเฉลยโอกาสให้กับตัวรู้บ้างเนี่ยไอ้ตัวหลมก็ฉยโอกาสพาเรา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 เราไม่เอาไฟฉายส่องมาที่ศาลาระาเร า, เร า, เาไฟฉายส่องทางแล้วก็ส่องทางให้เห็นทางเนี่ยก็ประมาณสักสามสี่เก้าเราก็เดินทีละเก้าทีละเก้าไฟฉายมันไม่ส่องไกลนะมันส่องแค่เก้าสองเก้าข้างนาแล้วเราก็เดินแต่เพราะเรามีเพราะเราส่องอยู่ตลอดเวลาเราก็สามารถจะเดินมาถึงหอไตรได้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 ยามเช้าฉันใดนะอาประสิงมันก็สว่างเก่ดใจเราเนี่ยก็เพราะว่ามีปัญญาที่สามารถขุดรากถอนคนอวิชชาได้อะละก็ชานี้ก็พูดกันเท่านี้นะ